ทีนี้พระพุทธรัตนะเนี่ยนะการศึกษาพระาศาสนาเราต้องไม่ลืมว่าไม่ใช่สมบัติสาธารณะแต่เป็นสมบัติของผู้มีบุญ น, นะสมบัติของผู้มีบุญจิตที่โคจรในพุทธานุสติธรรมานุสติเป็นต้นเป็นเรื่องของผู้มีบุญทีนี้ของเราเนี่ยนะเราอาจจะคิดบอกเออเมื่อเป็นเรื่องของผู้มีบุญเราก็ไม่ต้องเจริญแล้วละบอกคนอื่นจะคิดอย่างนั้นก็เถิด แต่เราจะคิดว่าเราถ้าไม่ทาบุญตอนนี้ก็ไม่รู้จะไปทำในตอนไหนตอนที่มีสติสัมปชัญญะดีที่สุดอย่างนี้แล้วเนี่ยนะจิตของเราก็โครจรไปในพุทธานุสติเป็นต้นไม่ได้นี่ถือว่าแหมมันน่าสงสารที่สุดเมือ่อหมายว่าเมื่อถึงจุดสุดยอดของชีวิตแล้วสแสวงหารายได้ไม่พอจะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเนี่ยนะอันนี้ก็เห็นใจได้เลยว่าอนาคตเนี่ยขอทานแน่นอนน ถามว่าทไมก็ดูจากรายรับแล้วเนี่ยอนาคตมันก็มีแต่ขอทานอย่างเดียวนะคะนะั้นบางทีเนี่ยเราคนที่ศึกษาธรรมะเนี่ยนะเตือนอีกนิดหนึ่งว่าอย่าเข้าข้างตัวเองให้มากนะพยายามอย่าเข้าข้างตัวเองให้มากพยายามมองตัวเองตามความเป็นจริงรู้ว่าอัดตันอยู่รู้จักตนให้ดีๆเลยว่าตัวนี้แค่ไหนเราเองเนี่ยมีศรัทธาแค่ไหน มีสติแค่ไหนมีวิริยะแค่ไหนมีสมาธิแค่ไหนมีปัญญาแค่ไหนอ่านตัวเองให้มันถูกต้องจริงๆตามความเป็นจริงนะอย่าไปเอาเสียงชมของนกกาทั้งหลายเป็นประมาณอย่าไปเอาเสียงเสียงเรียกว่าเสียงชมหรือว่าเสียงด่าเสียงก่นเสียงชมอย่าเอาตรงนั้นเป็นประมาณอ่านตามเป็นจริงของตัวเองเราไม่ได้รวยเพราะคนอื่นก็บอกท่านมาเรียกมหาเศรษฐีหรอก เราก็ไม่ได้จนเพราะคนอื่นเรียกว่าเราพวกกระยาจกหรอกแต่เราก็เป็นตามที่เราเป็นเราก็มีตามที่เรามีศรัท ธ, ธาทั้งหลายเนี่ยอ ย, อย่าไปเชื่อคนอื่นบอกอ้ยคุณนี่มีศรัท ธ, ธามากมีมากมีน้อยเรารู้แต่เพียงผู้เดียวใจเราบอกหมดแล้วว่าเรามีมากหรือดีน้อยเราขยันมากขยันน้อยใจเราบอกเราหมดแล้วว่าเรามีวิริยะมากหรือวิริยะน้อยสติเรามากหรือสติเราน้อยสติอ่อนหรือสติมีกาลัง ใจของเรามันบอกหมดแล้วสมาธิเราฟุ้งซ่านหรือเราอยู่ในความสงบใจของเราก็บอกแล้วบุคคลไม่ใช่ว่าจะเป็นผู้สงบเพราะนั่งนิ่งๆไม่ใช่อาจจะคิดมากก็ได้เนี่ยนะแล้วก็บุคคลก็ไม่ใช่ว่ามีปัญญาเพราะพูดมากหรือนิ่งมากเพราะปัญญาเนี่ยนะเรามีปัญญาเท่าใดใจของเราก็บอกเราหมดแล้วว่าเรานั้นมีปัญญามากหรือมี ปัญญาน้อยเมื่อเราไม่เข้าข้างตัวเองเช่นนี้แล้วเนี่ยนะเราจะตั้งตนให้คุณธรรมงอกงามไพ่บูรณ์และบริบูรณ์ได้อย่างไรมันเป็นสิ่งที่เราทําได้เนี่ยนะทำได้เมื่อเราทําได้อบรมได้ฝึกได้เราก็ทําที่สุดแห่งทุกได้ชีวิตที่ปล่อยปละละเลยเนี่ยนะอย่างที่กล่าวว่ามันมีอยู่สองอย่างปล่อยวางกับปล่อยปละละเลยนะคำว่าปล่อยปละละเลยก็คือไม่สนใจอะไรเลยไม่รับรู้อะไรเลยและ ไม่ต้องการจะรู้อะไรเลยปิดตามไม่ให้เห็นพระตนะตรัยปิดตามไม่ให้เห็นคำสอนอย่างสนิทปิดหูไม่ได้ให้เห็นคำสอนอย่างสนิทแล้วก็ปิดกั้นใจของตัวเองว่าเราทำไม่ได้เราเจริญไม่ได้เราคนบุญน้อยดูถูกตัวเองที่สุดเหยียดยามตัวเองที่สุดเท่าที่ตัวเองจะทำได้เราฉลาดน้อยมั่งอย่างนั้นอย่างนี้ดูหมิ่นและดูแคลนแต่บางคนก็พองจนเกินไปอีกนั่นแหละปัญหาความพอดีให้พบว่า อ่านสภาพที่เป็นจริงว่าความคิดศรัทธาเป็นต้นของเราจริงๆนั้นมีแค่ไหนแล้วอาจจะต้องหาอะไรเพิ่มเติมเนี่ยนะมันจะต้องหาอะไรเพิ่มเติมหาข้อมูลหาความรู้ที่จะเพิ่มเติมให้แก่คุณธรรมของเราได้อย่างไรถ้าเราฝึกอย่างนี้ได้เราก็หลุดพ้นได้เพราะความหลุดพ้นหรือไม่หลุดพน้นนี้อ่านดูจากที่ไหนก็ดูที่ใจวิมุตตินี่เป็นชื่อของใจนะหลุดพ้นก็เป็นชื่อของใจถ้าใจนั้นหลุดพ้นก็หลุดพ้น ปฏิสนธิในนรกอะไรพาไปปฏิสนธิก็ใจนั่นแหละนำปฏิสนธิในนรกสิ่งที่ไม่ปฏิสนธิโดยที่ปฏิสนธิโดยไม่มีจิตมีอสัญญาสัตว์อย่างเดียวแต่ก็เป็นผลของใจที่ส่งไปอีกทีหนึ่งนรกก็เป็นผลผลิตของใจเปรตก็เป็นผลผลิตของใจเดรัจฉานก็เป็นผลผลิตของใจมนุษย์เทวดาทั้งหลายพรหมโลกทั้งหลายก็เป็นผลผลิตของใจพันธาถือเอาใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้า ใจเป็นประธานเนี่ยนะตามที่คาถาธรรมบทกล่าวไว้เรื่องแรกในยะมะกะวักเนี่ยนะยะกะมะายมกวักนะพระเรื่องจักขุปาลเทรวัตถุหรือว่าเรื่องของมัตกุลดลีก็ตามนั้นถ้าเราเอาสภาพของใจเราเป็นหลักในการศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าในที่สุดเราก็แทงตลอดทำที่สุดแ่งกองทุกข์ให้ได้แต่ว่าอยากที่จะกล่าวแนะนาหรือว่าตักเตือน หรือว่ า, อาถือว่าเป็นคําบอกเล่าก็แล้วกันว่าเราจะให้ใจของเราโครจรไปกับคําสอนชั่วชาตินี้กี่ชั่วโมงนั่นะนะต่อวันหนึ่งวันหนึ่งมี24ชั่วโมงเราควรจะแบ่งใจให้อยู่กับคําสอนได้กี่ชั่วโมงดีนั่นะนะอยู่กับกี่ชั่วโมงดีเนาะ18ชั่วโมงอืมมากไปอย่างนั้น15ชั่วโมง14ชั่วโมง ขอเถอะบางคนบอกแหมบางทีนะบางคนเนี่ยเรากำลัง24ชั่วโมงในหานนาทีดูหกหารหกิบดูเท่าไหร่เอ้ยคูณหกสิบนาทีดูนะเยอะนะแบบคุณแหมสวดมนต์ห้านาทีบ้างสิบนาทีบ้างก็ยังมีบุญแล้วก็ยังดีบางคนนี่มันได้เท่านั้นจริงๆนะกุศลจิตมันเกิดได้ไม่เกินห้านาทีจริงๆนะบางคนนี่ไว้ได้แค่นั้นนะอะรหังสัมมาสัมพุโทโธพระครวญนะโมพอละ นะพอลเลิกแค่นี้พอล้บางคนก็เลยไปอิติปิโส อ, อีกหน่อยตั้งแต่อารหังไปจนถึงโลกา ส, สาตินี่มันกี่นาทีเอาแล้วก็ญาณวิปยุทธ์ซ ส, ส่วนใหญ่เนี่ยจำผิดผิดกๆุมัง่งรู้เรื่องไม่รู้เรื่องมัง่งบุญได้เท่านั้นจริงๆแหละต่อวันหนึ่งนะบางวันก็ลืมบางทีลืมไปครึ่งเดือนอย่างเงี้ยนะโอ้ยจะน่าสงสารขนาดไหนเนาะเนี่ยนะอย่าเพิ่งตายตอนนั้นเน้อเนี่ยนะตายแล้วก็แหมเห็นไก่ถูกเชื่อแล้วก็น่าสงสารจริงๆเนี่ยนะ มันจะไปไหนไก่มันจะไปไหนอดีตชาติมันก็เป็นเหมือนเรานี่แหละเราเองถ้าพลาดก็เป็นเหมือนไก่นั่นเลยเหมือนเป็ดเหมือนห่านนั่นแหละมันจะไปไหนวัด ต, ตะพูมิทั้งสามกำเนิดทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันโดยเฉพาะพวกห้าขันก็วนนี่แหละอบายบางสุขคติบางทุกคติบางก็ไหลเวียนเปลี่ยนไปอยู่อย่างนี้แหละมันถ้าไม่เจริญอริยธรรมไม่เจริญคุณธรรมโดยเฉพาะศรัทธาที่มีต่อพระตัตนะไตรเป็นต้นบางทีเนี่ยสังเกตดูเหมือนว่าเอ๊ ทำไมฟังท่านพูดแล้วแหมทุกอย่างทำไมต้องมอบความไว้วางใจให้กับพระพุทธเจ้าขนาดนั้นเราเอาใจของเราเองเข้าว่าไม่ได้แล้วคิดเอาเองไม่ได้หรืออะไรหรือบอกไม่ได้คนที่ทำได้คือพระพุทธเจ้าท่าที่เหลือต้องทำตามอย่างเดียวขนาดทำตามแล้วยังไม่ง่ายเลยจะกล่าวไปใหญ่ถึงทาเองว่างั้นเถอะเนี่ยนะ ห ล, ลายอย่างในโลกเนี่ยคิดทําเองเป็นเนี่ยนะยากมากทุกเรื่องเลยนะอยู่ๆแล้วไม่มีความรู้อะไรเลยสมมติว่าเป็นชาวเผ่าใดาเผ่าหนึ่งเนี่ยเข้ามาในเมืองเนี่ยทําอยากทําขนมเคก้กมันทํำยังไงอ๋อนี่ขนาดเห็นๆนักขนมเค้กเนี่ยเห็นหมันแล้วเห็นเป็นเค่เลยตั้งโต๊ะ แ, แล้วเอาเครื่องเทศมาตั้งให้หมดเลยเอ๋อมันทํำยังไงพระประเจกับพระพุทธเจ้าเนี่ยนะท่านทานขนมเคก้กพระประเจกับพระพุทธเจ้าขนาดท่านตรัสรู้แล้วท่านยังบอกสอนไม่ได้ เปรียบเหมือนคนใบ้ฝันรู้แต่เล่าให้ฟังไม่ได้เปรียบเหมือนชาวเขาชาวป่าชาวดอยคนหนึ่งที่เข้ามาในเมืองไม่รู้จักเชื่อเขามาขนมเค้กแล้วก็มาทานขนมชั้นดีของชาวเมืองเสร็จแล้วก็ถามว่าว่าขนมอร่อยมากเชื่ออะไรมไม่รู้วิธีปรุงทำยังไงมัง่งไม่รู้เพิ่งทานมาอร่อยมากพูดได้แค่นี้แหละยังอื่นนะ่ะยางอื่นก็ไปหาทานเอาเองก็แล้วกัน แต่รู้ว่ามันดีก็แล้วกันเนี่ยนะพระพเจท่านอย่างมากท่านก็พูดได้อย่างใล้ายๆแบบนี้เพรัะฉันใดก็ดีท่านของพวกเราขนาดว่าเรียนท่านเรียนตามท่านฟังตามท่านคิดตามท่านขนาดนั้นใจมันยังไม่ค่อยจะยอมเลยใช่ไหมใจมันไม่ค่อยจะยอมเอาตามเลยแหมพยศหน้าดูเลยนะนะพยศมากบางคนก็บอกแหมปัญญาน้อยเขามาไม่ค่อยเชื่อเราว่าคนเนี่ยปัญญาน้อยมันใช้ปัญญาผิดประเภทมากบ่ามันใช้งานผิดประเภทใช้ความคิด เลื่องเกินไปอ่ะบางทีบางอย่างควรจะคิดสักสองนาทีไปคิดสักสองชั่วโมงอย่างเงี้ยนะบางอย่างควรจะคิดสักครึ่งชั่วโมงคิดปาเข้าไปสามวันสามคืนไม่เลิกคิดไอเรื่องบางอย่างที่ควรคิดทั้งวันทั้งคืนคิดสองนาทีอย่างเงี้ยมันใช้ผิดประเภทมากๆเลยนะเรียกว่าพวกนี้ใช้อริยทรัพย์ผิดประเภทใช้ใจไปผิดประเภทแปลว่าใช้ชีวิตผิดประเภทมันน่าสงสารหรือว่าน่าเมตตาเนี่ยนะเรียกว่าน่ามุทิตาหรือว่าน่ากรุณา ก็น่าสงสารซะมากกว่าเนี่ยนะแต่เชื่อไหมเขาไม่เคยสงสารตัวเองเลยแหมลำพองมากเนี่ยนะลำพองมากเช่นกับคนที่ติดยาเสพติดกําลังมีแหมกําลังแค่ว่าเสพยาเขาไม่สงสารตัวเองเลยนะนะแต่ไม่รู้รอกว่ายาพวกนี้มันหมดแล้วอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปชีวิตของคนที่อยู่ในวัตฏะเนี่ยนะถ้าเขาไม่สงสารตัวเองบ้างเลยเนี่ยเขาคือคนที่น่าสงสารที่สุดอย่าลืมว่าคนที่ไม่สงสารตัวเองอยากคิดนะว่าเขาจะสงสารผู้อื่น ถ้าเบียดเบียนตัวเองเท่าใดก็จะเบียดเบียนผู้อื่นเท่านั้นถ้าทับทับถมความทุกข์ให้แก่ตัวเองเท่าใดก็จะโปรยความทุกข์ใส่ลงผู้อื่นเท่านั้นเนี่ยมันเป็นโรคติดเชื้อกันได้มันในที่สุดก็เบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนหลายหลายฝ่ายก็ชักชวนกันไหลไปสู่แต่แค่ว่าห่วงแห่งความทุกข์ต่อต่อไปมันก็พยายามตั้งตนนั้นเราเองอะต้องใส่ใจตามคําสอนอย่างเดียว ขนาใส่ใจตามคําสอนอย่างยากเขาบอกว่าเนี่ยวิสุทธิมรรคเนี่ยนะพระพุทธโคสาาจรย์ท่านอุส่าย่อพระไตรปิฎกมาแล้วเราก็ยังบอกว่ายากอีกบอกตอนแรกบอกพระไตรปิฎกยากน่าจะมีการย่อพระไตรปิฎกท่านก็ย่อมาให้เป็นวิสุทธิมรรคบอกมันยากไปย่อมาอีกให้มันย่อย่อยย่อไปเนี่ยนะที่จริงอ่ะบอกว่าถามว่าคนโง่ควรเรียนโดยพิสดารหรือเรียนแบบย่นย่อะนะควรเรียนแบบย่อหรือพิสดารถ้าโง่เข่าเนี่ยนะคนโง่ควรเรียนมากหรือควรเรียนน้อย ก็ควรเรียนมากแล้วเราอ่ะเราก็มาคิดดูว่าเรากลุ่มกลุ่มไหนฉลาดมากหรือฉลาดน้อยเราควรให้เวลาอยู่กับคําสอนแค่ไหนเนี่ยนะมากหรือน้อยเนี่ยนะันนนแต่ก็อะไรนะก็มาชอบคําอยู่คำหนึ่งนะพระตราปิฎกบอกดูก่อนท่านผู้เป็นเช่นเราเพางั้นก็คือมันทุกเหมือนเรานั่นแหละันมีอะไรก็ดูภายใต้ดวงอาทิตย์ดวงเดียวกันอ่างนั้นนะะอยู่บนผื้นแผ่นดินเดียวกันชรามรณะเหมือนกันหิวเหมือนกัน ทานเหมือนกันง่วงเหมือนกันหลับนอนเป็นต้นคล้ายคลกันอย่าไปต่างกันตรงไหนเดินไปสู่ชราและมรณะเช่นกันนักโทษประหารเช่นกันเนี่ยนะมันจะถูกเชือดถูกประหารแบบไหนแบบใช้หอกปักหรือว่าจะใช้อะไรจะต้องผ่าตัดจะต้องเสียบจมูกเสียบอะไรตรงไหนก็ว่ากันไปแต่ว่ารวมๆแล้วก็คือนักโทษประหารเช่นกันจะถูกโบยถูกเขี้ยนถูกตีถูกตัดถูกตอนถูกอะไรก็ตามเถอะแต่ว่ารวมๆแล้วก็คือนักโทษประหารใน วัตตาทั้งหลายก็เรียกว่าปรากฏที่ตะแลงแกงมีความทุกข์เช่นกันเนี่ยนะมันโลกเนี่ยเลื่อนไปเคลื่อนไปยกพลไปแล้วไปไหนไปสู่ชราและมรณะมันเราจะเจริญคุณธรรมเหล่านี้ให้ให้ยกตนให้พ้นภัยเหล่านี้ได้ทวนอีกครั้งหนึ่งว่าสิ่งที่พอจะเป็นไปได้ก็คือจิตที่มีที่เป็นศรัทธาเท่านั้นแหละที่จะช่วยเราได้จิตที่เป็นวิริยะจิตที่ประกอบด้วยสติจิตที่ประกอบด้วยสมาธิและจิตที่ประกอบด้วย ปัญญาจิตที่ประกอบด้วยสติประทานสัมมัติประทานอิทิบาทอินทรีพละโพชงองค์มัชทั้งหลายเหล่านี้นี่แหละที่จะช่วยให้เราพ้นทุกข์ถ้าเราจเจริญโพธิปัจยธรรมในพระพุทธศาสนาไม่ได้พ้นทุกข์ไม่ได้เนี่ยนะ